ส่วนตัวเองเนี่อะไรคิดบอกเออเนี้ยตอนที่มีท่านยังมีชีวิตอยู่นะเราจะช่วยท่านเต็มที่เลยวันนี้จะไปละเยียมพ่อพูดเสร็จแล้วไปเลยพัตนต่อไปนั้นศีลเนี่ยนะจึงสําคัญนะทั้งจารีตศีลแล้วก็วาเรตศีลเนี่ยนะทั้งศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สําคัญที่เราควรจะทำํำพันทาน น, นะศีลเนี่ยเป็นอารมณ์ที่สําคัญมากเป็นที่พึ่งเนี่ยนะ แล้วก็ศีนี่เป็นเครื่องป้องกันนะนะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายอย่างคนที่ได้รับการดูแลทําให้ชีวิตเขายืนมีคนอ่านนะคนมาคอยดูแลชีวิตให้มีคนคอยมาดูแลทรัพย์สินให้มีคนคอยมาดูแลความปลอดภัยให้มีคนที่กลั่นกรองให้เรารับฟังแต่ความจริงเป็นต้นนีอันนี้เป็นผลของศีลนักที่ทํามาดีทั้งนั้นแหละ เนี่ยนะที่ได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองเป็นเรื่องของการรักษาศีลมาเป็นอย่างดีอย่าลืมว่าศีลนี่แหละเป็นตัวรักษาผู้รักษาศีลที่เราบอกว่าทำแลย่ยอมรักษาผู้ประพฤติทธรรมการให้ทานตัวทานที่ให้ไปนั่นแหละจะมารักษาผู้ที่ให้ทาน ศีลผู้ใดรักษาศีลศีลก็จะมารักษาเขาผู้ใดเจริญสมถาวิปัสสนาสิ่งเหล่านั้นจะมาช่วยคุ้มครองเขาแต่เราต้องให้เวลาหน่อยนะเพราะไม่อาจจะใช้รุ่น OATM มากใช้โทรศัพท์มากใช้อะไรมากก็เลยเหมือนกับ ก, กดปุ๊บๆๆได้ปั๊บเลยนะ ถ, ถ้าไม่เคยทำเหตุมาก่อนมันไม่ปั๊บขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าทำบุญมาดีจริงก็ไม่ใช่ปัญหาละว่า ง, งั้นเถอะ แต่นี้จริงๆถ้าทําบุญมาดีนะเหมือนเจ้าของสวนแหะนะเป็นเจ้าของสวนไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมาอยากหิวก็ได้ทานเป็นต้นมันก็ต้องพอเพาะเมล็ดพันธุ์คนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยนะก็พเพาะเมล็ดมาเป็นอย่างดีแล้วเพาะปลูกมาเป็นอย่างดีแล้วจึงได้บริโภคใช้สอยเป็นอย่างดีเนี่ยนะที่ที่มีอุดมสมบูรณ์เขาทาเหตุมาดีสีนี้จึงเป็นเครื่องเปราะเค ร, รื่องป้องกันเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้า สีเล น, นสุขติงยันติใช่ไหมขจีนเนี่ยเป็นคติเพราะคนที่มีศีลระลึกถึงศีลไปแล้วก็พบต่อไปก็ไปดีศีลเนี่ยเป็นเครื่องคําจุนเป็นเครื่องคอยอุปธรรมคําจุนเนี่ยนะอุปธรรมให้ยังไงให้ไม่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตยามที่ใจเศร้าหมองก้อนเนื้อถึงศีลโคจรไปในศีลที่เคยรักษาเนี่ยนะอย่างใครที่สมาทานศีลไว้เยอะๆเ อ, อ ทุกวันพระเราก็สมาทานอุโบสถทุกครั้งเลยอย่างไงนะใช่ไหมอานะ้าวเนาะปีหนึ่งแม้ทั้งปีเลยขาดอุโบสถอยู่แค่ครั้งหนึ่งแสดงว่าโอ้โหเนี่ยวันที่เท่านั้นวันพระเราก็สมาทานศีล น, นั่งนึกปีหนึ่งะสมาทานศีล น, นั่งเป็น20่สบหิครั้งก็มีอยเอา้าวสมาทานศีลห้าวันอ่ะสมาทานเช้าสมาทานเย็นบางคนสมาทานกลางวันวั น, วนละสมรอบโอปีหนึ่งสามกสิบคูณสามเข้าไปศีล เ, เนี่ยตังเยอะแยะแต่ละข้อ น, นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะ ถ้าเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็เป็นสิ่งที่มีราคาหาประมาณไม่ได้มีราคาเย่อะไปหมดนั้นถ้าเรารักษาศีลไว้ดีนึกแล้วก็ปลื้มใจเนี่ยนะนื้แล้วก็ปลื้มใจที่เครียดฟุ้งรำคาญเป็นต้นก็หายและเพราะมีเครื่องปลื้มใจศีล น, นั้นจึงเป็นรัตนะเนี่ยนะเป็นเครื่องคอยค้ำจุนอุดหนุนทําให้ชีวิตประสบแต่ความเจริญแต่ถ้าทําศีลมาไม่ดีรักษาศีลมาไม่ดีเดี๋ยวก็ผวาคือวัวสันหลังวะ ศีนขาดก็เหมือนกับตามตัวที่มีแต่แผลเป็นนะและไม่ใช่แผลเป็นแบบเนี้ยแผลเป็นก็แปลว่าแผลยังไม่หายเหรอนะมันยังเป็นเป็นอยู่เลยนะนอนยังชอนยังตามชอนตามใช้เลยแหละถ้าอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่ข้อความหมายของอันตรายไงแผลมันยังเป็นอยู่มันยังไม่ตายเหรอนะยังเป็นอยู่ตรงนั้นแหละนะมันยังรักษาไม่ได้ยังยังแผลเป็นแผลสดอยู่เลยเหรนะมันถ้ายังเป็นแผลสดเนี่ยทำยังไงดูอ่ะเชื่อเหอะคนที่เครียดเครียดทั้งหลายนะ ถ้ารักษาศีลมาเยี่ยมไม่เครียดหรอกไอ้ที่เครียดจริงๆอ่ะปัญหาว่าทํารักษาศีลมาไม่ดีปัญหาที่ตีกลับมาทั้งหมดเลยอย่างสมมติทั้งงานทั้งหลายนะอะไรที่มันตีกลับมาแสดงว่าบริหารจัดการไม่ดีอย่าไปโทษผู้รับประโทษอะไรที่ไหนหรอกที่จริงอ่ะตัวนีว่แหละทําไม่ดี นะพอเรียกว่าผ่านตัวเองไอ้เครื่องกรองไม่ดีเขาเลยจะยกเครื่องกรองทิ้งแหละว่า ง, งั้นเถอะชั้นใดสิ่งที่เราทําก็เหมือนกันถ้าสิ่งนั้นเราทําผิดทําพลาดทําไม่เหมาะทําไม่ควรทําไม่พอสมมันตีกลับไปโทษผู้ตรวจไม่ได้เนี่ยนะก็กกต้องโทษเราทั้งหลายเพราะฉินเนี่ยคําว่าศินเนี่ยนะไม่ได้หมายคำว่านั่งหลับตาปาณาติปาตาแล้วเป็นศีนนะเพราะศีนแบ่งทั้งจารีตและวารีตศินเนี่ยนะแบ่งทั้งจารีตและวารีตศีล การประกอบอาชีพเป็นศีลไม้แป้นเป็นสัมมาชีวะเราก็ปรารบสิถ้าอาชีพที่เราทําไม่ดีแล้วเราจะมานั่งยิ้มแป้มเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะถ้าหากว่าเราประกอบอาชีพผิดพลาดทำจาัด ก, การงานอากูลปฏิกูลอากูลกับปฏิกูลมีความหมายเหมือนกันอากูลนะอาเนี่ยเป็น อ, อาเนี่ยเป็นอาอุปสรรคปฏิกูลก็ปฏิอุปสรรค อากับปตินีนความหมายไม่ค่อยแตกต่างกันนะนะเพราะฉะนั้นก็ปฏิกูลก็ทํางานปฏิกูลทํางานอากูลก็คือทํางานปฏิกูลแปลว่าทําเลอะเลอเทอะเทอะทำแล้วก็เช่นทําครัวปฏิกูลนี่เป็นยังไงต้องเช็ดต้องปัดกวาดต้องถูต้องล้างงานที่ทําปฏิกูลล่ะมันก็ตามแกไปไม่มีจบมีสิ้นคนที่ทํางานอากูลเนี่ยแปลว่าศีลไม่ดีนะเพราะสัมมาอาชีพไม่ดีเพราะอาการการประกอบอาชีพนี่เป็นศีลอย่างหนึ่งเราปารบวันนี้เป็นศีลของเรานะ พันการที่เราทํางานไม่อากูลรักษาอาชีพประกอบอาชีพที่ดีเลี้ยงตนจะได้เป็นสุขนั้นถ้าเรามีอาชีพเราจะได้เลี้ยงดูเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวบํารุงบิดามารดาเป็นต้นแต่ถ้าทําผิดทําพลาดและอะไรก็เดือดร้อนน่ะสิเพราะว่าทําปฏิกูลนั้นถ้าทํางานผิดพลาดปฏิกูลก็แปลว่าศีลไม่ดีถ้าศีลไม่ดีแล้วจะไปนั่งยิ้มมีไหมธรรมะคเครียดมีโรคศีล น, นํามาซึ่งอะไร <Net> อาวิปฏิสานความไม่เดือดร้อนใจถ้าเดือดอร้อนใจเมื่อไรนะอย่าไปโทษฟ้าโทษฝนโทษฝนคารนฟน้าคารามอะไรที่ไหนหรอกก็โทษทำตัวไม่ดีปฏิบัติบกพร่องขาดตกบกพร่องอะไรแต่ก็ดีนะที่ฉลาดขึ้นไปอีกวันหนึ่งนะเพราะอะไรจะได้รู้ว่าเออที่ผ่านมาทําไม่ดีต่อไปถ้าทำอีกนะประวัติศาสตร์ซ้ารอยแน่นะ บอกว่าอะไรนะชอบปวดหัวแต่ไปนั่งอยู่แต่ใต้ต้นตาลต้ น, ต น, ตนมะพร้าวที่ลูกมันดกๆนะแล้วลูกสุกทั้งนั้นเลยนะก็ะสมเพิ่ตกใส่หัวที่หนึง่งก็น่าจะดีใจขอบคุณนะต่อไปจะไม่นั่งอย่างนี้อีกเลยอะไรเงี้ยนะถ้าจะนั่งอีกก็ต้องมีอะไรป้องกันเป็นอย่างดีแล้วต้องมีโอกาสทบทวนนะนะสิ่งที่ผ่านมาน่าจะเป็นวิชาชั้นดีอะไรเงี้ยเป็นวิชาชั้นดีประสบการณ์เขาบอกว่าผิดครั้งแรกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะเพราะไม่รู้แล้วผิดถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ารู้แล้วขืนผิดเนี่ยนะ เขบอกว่ามีเจ้าของบริษัทอยู่ที่หนึ่งโอ้ยไปทําเสียไปทําของของเจ้านายเสียหายเยอะเลยเจ้านายไม่ว่าสักคําเลยนะบอกว่าเออคุณทําผิดเนี่ยเพราะคุณไม่มีข้อมูลคุณไม่รู้คุณทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามีครั้งที่สองเนี่ยนะคุณเดือดร้อนแน่ดีไม่ดีไอ้สิ่งที่คุณทําผิดอะ่ะคุณจ่ายหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นเกิดจากความไหนรู้แล้วก็ยังผิดแต่ถ้าไม่รู้แล้วผิดมันก็ให้อภัยเหมือนทางที่เราไม่เคยไปแล้วมันผิดใช่ไหมมันก็ถือว่าให้อภัยถ้าหากว่า ครั้งสองครั้งไปแล้วนี่ถือว่าเข่าเกินไปแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าขาดความรับผิดชอบไร้ความสามารถเนี่ยนะทายัางไงดีเรื่องเขาเรียกอะไรนะลาออกเอขาเรียกอะไรนะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบลาออกอนนะ่ะที่จริงแสดงความรับผิดชอบต้องชดใช้สิไม่ใช่ลาออกนะต้องชดใช้ค่าค่าผิดค่าพลาดเนี่ยนะ มันก็ทั้งเป็นอย่างเงี้ยศีลเนี่ยสำคัญนะรวมทั้งการประกอบอาชีพการทําบางคนนี่ห่วงเหลือเกินกลัวจะไม่ได้เป็นนั่งรักษาศีลเลยทางานบกพร่องเลยนะแล้วก็มานั่งสีลใจกลายเป็นว่าคนบ้านก็ไม่ใช่คนวัดก็ไม่เชิงไอ้ตรงเนี้ยครึ่งผีครึ่งคนครึ่งบ้านครึ่งโยมครึ่งพระครึ่งเมรเนี่ยโอ้ยุ่งจริงเลยนะจะว่าเป็นพระก็ไม่ใช่จะว่าโยมก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้มันเป็นอะไรกันแน่น ะ, นะพ่อจะบอกโอ้อยู่บ้านก็คุยเหมือนพระพ่ออยู่วัดก็คุยเหมือนโยมเนี่ยนะมันยุ่งเริงเลยนะ อันนี้ปัญหาอย่างนี้เยอะมากพออยู่ที่บ้านคุยแต่เรื่องธรรมะเรื่องธรรมโมพอมาอยู่ที่วัดทวนจะสนธนาธรรมบอกเปล่าหรอกคุยแต่เรื่องที่บ้านเออมันเกิดอะไรขึ้นก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปวันวันหนึ่งพอมานี้ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันพวกที่รักษาศีนนะนะเออถ้าเราเป็นเจ้าวาดนะมีคนรักษาศีนเขาอยู่บ้านเขาคุยแต่ธรรมะนะพอมาอยู่วดัดเขาคุยแต่เรื่องบ้านเนี่ยเราจะทํำยังไงดีนะก็ก็กำลังคิดยังคิ ด, คดไม่ตกนะใครได้ไอเดียดีๆมาเล่าให้ฟังบ้างกัแล้วกันว่าจะจัดการบริหารกับคนชุดนี้ได้ยังไง พันศีนี่จึงเป็นที่พึ่งศีนี่เป็นที่ตั้งศีนี่เป็นอารมณ์เป็นเครื่องป้องกันศีนี่เป็นที่อาศัยเป็นคติเป็นเครื่องคขำจุนจะ อ, อะไรเนาะมาพึ่งเช่นกับศีนจะตั้งอยู่บนอะไรเท่ากับตั้งอยู่บนศีนจะโคโจรไปในอะไรเท่ากับโคจรไปในศีนจะเอาอะไรมาป้องกันท่าจะเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเท่ากับศีนจะเอาอะไรมาอาศัยเท่ากับศีนจะเอาอะไรมาคอยอุปธรรมขำจุนเรา เท่ากับศีลอย่างบางคนเนี่ยชีวิตเดือดร้อนทันทีเพราะเสียศีล น, นั้นศีลเนี่ยจึงสําคัญมันเป็นเครื่องอุปถัมเมื่อศีลเสียหายเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเรือที่มีรูรั่วนะมันก็แต่รั่วตรงกลางลําแล้วด้วยแล้วใหญ่ด้วยนี่แม่ไม่รู้จะมาอุดมาคามาจุนมาทํำยังไงกันพันศีลเนี่ยเป็นเครื่องคําจุนเนี่ยนะพันศีลเนี่ยเครื่องคําจุนประเช่นกับเสาศีล น, นั้นจึงเป็นเหมือนกับเสาที่สําคัญที่ช่วยเรียกว่าทําให้หลังคาเนี่ยดำรงอยู่ได้ พันศีนนั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่สมบัติในโลกนี้และโลกหน้าบางคนเนี่ยน ะ, ะตำแหน่งขึ้นขาดได้ขาดความไว้วางใจไม่ได้รับการไว้วางใจก็เพราะอะไรเพราะพฤติกรรมคือศีลไม่ดีโอกาสที่ควรจะได้ตั้งร้าอย่างตัวเองก็พลาดโอกาสเพราะอะไรเพราะศีลไม่ดีนั้นสมบัติในโลกนี้ก็เลยเดือดร้อนขาดสมบัติในโลกนี้อย่างผู้บริหารบางคนก็บอกว่าถ้าคนนี้มันดีกว่านี้อีกหน่อยนะ ก็ไม่ปล่อยให้มันตกต่าอยู่แบบนี้หรอกแต่มันแหมหาข้อดีมันไม่เจอเลยอะ่ะหาทางช่วยมันยังไงเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะช่วยตรงไหนเพราะถ้าคืนช่วยให้ตําแหน่งสูงกว่านี้รายได้ดีกว่านี้วิบัติแน่ไงนะเพราะอะไรเพราะศีนเขาไม่ดีเพราะศีนเนี่ยสำคัญมากเป็นเครื่องป้องกันอันนะช่วยทําให้ประกอบอยู่ในอาชีพในโลกนี้อยู่ได้แต่คำว่าศีนเนี่ยอย่าลืมว่าแหมเหมือนกบจําศีนนะถ้าแปลว่ากบนอนอยู่เฉยๆแล้วเรียกว่ารักษาศีล น, นะอันนั้นไม่ใช่ศีลในผู้าศาสนาแน่นอน อันนั้นเป็นความขี้เกียจขี้คลานเนี่ยนะว่าเออเนี่ยช่วงนี้กบมันจำศีลอะ่ะมันไม่จำได้ยังไงขึ้นมาออกเพ่นผ่านมันก็ตายอ่ะช่วงนี้ช่วงไหนกบจำศีลนะ่ะจริงๆไม่ได้จำศีลหรอกอนะจริงๆอ่ะช่วงนั้นเนี่ยมันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ถ้ามันออกมามันตายอย่างเดียวเพราะไม่รู้มจะหลบไปอยู่ตรงไหนะนะเป็นช่วงอะไรช่วงอ่ะเช่นเดือนนี้ะนะก็บอกเดือนนี้เดือนกบจำศีลก็ก็ลองกบมาวิ่งเพ่นพ่านเดือนนี้ดูสิมันก็เอาถูกไปเผาหมดอะ่ะ มันนศีลแบบศีลกบศีลปลาศีลเขียดเสียงอึ่งอ่างพวกนี้ไม่ใช่ศีลเนี่ยนะมันไอ้คำว่าศีลนั้นก็คือเจตนารักษาเจตนานี่นะรักษากุศลรักษาบุญเนี่ยนะันั้นจึงเป็นศีลมันศีลเนี่ยจะเป็นเครื่องเป็นเหตุให้ได้สมบัติในโลกนี้และสมบัติในโลกหน้านะเครื่องประดับเช่นกับศีลก็ไม่มีดอกไม้เช่นกับดอกไม้คือศีลก็ไม่มีกลิ่นเช่นกับกลิ่น คือศีลย่อมไม่มีจริงอยู่โลกพร้อมทั้ง เ, เทวโลกเนี่ยนะมนุษย์และเทวดาดูแลการประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลการตกแต่งด้วยดอกไม้คือศีลเครื่องรูปไร้ด้วยเครื่องรูปไร้คือศีลกลิ่นคือศีลดูคนมีศีล น, นี่ดูย่อมไม่อิ่มเลยเบื่อที่จะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเคยมี้มื่อไงเป็นต้นเพราะเนื่องจากอะไรทําไมจึงอยากเห็นพระองค์มากนะอยากเห็นแ ล, แล้วไม่เบื่อ ส, สร่นเซินแล้วไม่เบื่อเพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะ แต่ถามว่าท่าต้องอยู่ใกล้คนทุศีลนล่ะบอกอ่าเจอครั้งเดียวก็เข็ดจนตายแล้วเนี่ยนะที่ทานอยู่เช้าเมื่อนะเช้าค่ำมาอย่าได้เจออยได้เจอกันอีกเลยเนี่ยนะมันก็อะไรเพราะว่าคนทุศีนเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้ตลอดเดือดร้อนทั้งโลกนี้เดือดร้อนทั้งโลกหน้าผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีแต่เดือดร้อนพ่อแม่มีลูกทุศีนลูกก็เดือดร้อนพ่อแม่ก็เดือดร้อนลูกมีพ่อแม่ที่ทุศีนพ่อแม่ก็เดือดร้อนสามีมีภรรยาที่ทุศีลภรรยาก็เดือดร้อน สามีก็เดือดร้อนสามีมีภรรยาทุศีนสามีก็เดือดร้อนคือเกี่ยวข้องกับคนทุศีลน่ยที่ไหนถ้ามีคนทุศีนอยู่เท่นั่นน่ะนะแล้วถามว่าถ้าหากว่าให้คนทุศีนดูแลการเงินเลยหมดเลยน่ยนะหมดเลยนะหมดตัวเลยนะให้คนขี้เล่าดูแลอะไรนะอะไรดูแลเรื่องทรัพย์เรื่องเสเบียงเนี่ยนะหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงสําคัญมากมันคนมีศีลเนี่ยจึงคู่ควรแก่การ เป็นใหญ่คู่ควรแก่การดูแลปกป้องและคุม้มครองเพราะอะไรนะจะดีเท่ากับศีลถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีศีลใครจะเคารพพระองค์มั่งถ้าคนอื่นก็เป็นเจ้าชายเป็นนักบวชเยอะแยะนะเป็นกรรษัตริย์ออกบวชตั้งมากมายมีใครพูดถึงเหมือนกับพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่เพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลดีจริงจริง แต่ก็ศีลอย่างเดียวคําว่าศีลก็สมาธิปัญญาเป็นต้นด้วยเพราะศีล น, นี้เป็นประทานเป็นหัวหน้าศีล น, นี้เป็นเบื้องต้นศีลเป็นเครื่องประดับเนี่ยนะเป็นเครื่องเกราะเป็นเครื่องป้องกันดอกไม้คือศีล น, นี่จึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะพระองค์บอกว่าศีลเนี่ยนะสำคัญถึงขนาดว่าคนมีศีลจึงไปสวรรค์ได้ให้ทานมากอย่างเดียวโดยที่ไม่รักษาศีลเนี่ยเกิดในสวรรค์ได้ไหมปาณาฆ่าก่อฆ่าลักก่อรั ก, ก, กผิดกามเมก่อมาก โมสาก็เก่งเมาตลอดแต่ให้ทานเยอะเนี่ยเกิดในสวรรค์ได้ไหมเห็นว่าไม่ได้ให้ทานเนี่ยตัวทานอย่างเดียวถ้าไม่มีการรักษาศีลแล้วไปให้กับคนทุศีลด้วยกันเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสปอนเซอร์ให้โจรเลี้ยงโจรทั้งหมดตัวเองก็เป็นโจรแล้วรับเลี้ยงดูโจรด้วยกันเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ไหมบอกมันยากเหมือนกันเนี่ย เพราะอะไรเพราะว่าคนให้ก็ไม่มีศีลคนรับก็ไม่มีศีลเกลือกลั้วแต่แม้บริจาคให้สมาคมโจรด้วยกันเนี่ยเต็มที่เลยนะมันพันการให้แบบนั้นอ่ะมันจะไม่ได้มีผลมากมียนิสง์มากพราันที่มีผลมากมียนิสง์มากเนื่องจากว่าผู้ให้ก็ผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลพันการให้อย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่ให้ตัวเองคนให้ก็ไม่มีศีลคนรับก็ไม่มีศีลไม่ได้แปลว่าต้องไปสวรรค์หมดนะ เพราะันซีนเนี่ยแหละเป็นเครื่องช่วยให้ทําให้เกิดในสวรรค์นเนี่ยนะแต่ถามว่าคนให้ทานก็อย่างว่านะถ้าให้ทานไว้ดีนะถึงไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็สบายเพราะจะมีที่อยู่ห้าสิบล้านเนี่ยนะมีคนมาคอยดูแลอย่างนี้นะมีแพนด้าใชนะ่ไหมโอ้ยกว่าจะได้มาได้เนี่ยอันเชิญหน้าดูเลยน่งเครื่องบินมีการแถมีการแถนคนที่จะดูต้องซื้อบัตรไปดูแต่เป็นเป็นเองเอาไหม มีบ้านห้าสิบล้านมีคู่มีไม้ไผ่แสนอร่อยให้กินเนี่ยนะทุกวันอยู่อย่างนั้นแล้วมีคนมาดูเนี่ยนะเอาไหมอะไรกันนะไม่เอาอะ น, น, นะนั่นแหละคือผลของทานอย่างเดียวจะเป็นเช่นกับมีแพนด้าตัวนั้นน่ะนั่นแหละให้ทานอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจเรื่องศีลเลยเนี่ยนะพราะเวลาเกิดก็จะเป็นอย่างนั้นเลยจะเป็นสัตว์ที่หมาทุกคนอนุรักษ์มากช่วยกัน ร, รักษาดูแลเยี่ยมให้อาหารอย่างอร่อย